วิธุระบันดิตผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาครั้นพร่ำสอนหมู่ญาติอย่างนี้แล้วผู้อันหมู่ญาติมิรห้อมล้อมเข้าไปเฝ้าพระราชาถวายบังคมยุคลบาดด้วยเสียงเกล้าและทําประทักษิณเท้าเธอแล้วประคองอัญชลีกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปราบศัตรูมานพนี้ปรารถนาจะทาตามความประสงค์ จึงจะนำข้าพระองค์ไปข้าพระองค์จะกราบทูลประโยชน์แห่งญาติทั้งหลายขอเชิญพระองค์ทรงสดับประโยชน์นั้นขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเอาพระทัยใส่ดูแลบุตรภรรยาของข้าพระองค์ทั้งทรัพย์อย่างอื่นๆที่มีอยู่ในเรือนโดยที่หมูญาติของข้าพระองค์จะไม่เสื่อมในภายหลังในเมื่อข้าพระองค์ถวายบังคมลาไปแล้ว ความพลังพลาดของข้าพระองค์นี้เหมือนบุคคลพลาดล้มบนแผ่นดินย่อมกลับตั้งอยู่บนแผ่นดินเองฉะนั้นข้าพระองค์ย่อมเห็นโทษนี้พระเจ้าทนัญชัยตรัสว่าท่านไม่อาจจะไปนั่นแหลเป็นความพอใจของเราเราจะสั่งให้ข้ามานพนั้นตัดออกเป็นท่อนๆแล้วหมกไว้ให้มิดชิดในเมืองนี้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 กรรมอันเป็นอกุศลไม่ประเสริฐเป็นกรรมอันบันดิตพึงติเตียนว่าผู้ทำกรรมอันเป็นอกุศลพึงเข้าถึงนรกในภายหลังนี้ไม่ใช่ทำเลยไม่เข้าถึงกิจที่ควรทำข้าแต่พระจอมประชาชนธรรมดานายผู้เป็นใหญ่ของทาตจะทุบตีก็ได้จะเผาก็ได้จะฆ่าเสียก็ได้ข้าพระองค์ไม่มีความโกรธเลย และข้าพระองค์ขอกราบทูลลาไปพระมหาสัตว์นั้นมีเนตทั้งสองนองด้วยน้ำตากําจัดความโกรวนกระวายในหาไทยแล้วสวมกอดบุตรคนโตแล้วเข้าไปยังเรือนใหญ่บุตริดาและภรรยาทั้งหลายในนิเวศของวิธุระบัณฑิตต่างนอนร้องไห้คล่ำคลวนกลิ้งเกลือกไปมา เหมือนป่าไม้รังถูกลมพัดล้มระเนระนาดภรรยาหนึ่งพันคนและทาสีเจ็รอคนตามประคองแขนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญในนิเวศของวิธุระบัณฑิตพระสนมกำนันในพระราชกุมารพ่อค้าชาวนาและพรามทั้งหลายต่างก็มาประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในนิเวศของวิธุระบัณฑิต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 สั่งสอนคนของตนคือมิตรสหายคนใช้บุตรธิดาภรรยาและพวกพ้องจัดการงานบอกมอบทรัพย์ในเรือน่งทรัพย์และการใช้หนี้เสร็จแล้วได้กล่าวกับปุณณกะยักษ์ว่าท่านได้พักอยู่ในเรือนของข้าพเจ้าสามวันแล้วกิจที่จะพึงทำในเรือนของข้าพเจ้าทาเสร็จแล้วอันหนึ่ง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 การเห็นชีวโลกของท่านนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าจักหวาดกลัวไปทำไมเพราะข้าพเจ้าไม่มีกาชั่วทางกายทางวาจาและทางใจอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติพยามานั้นนำวิตรบันดิตเหาะไปในอากาศกลางหาวไม่กระทบที่กิ่งไม้หรือภูเขาเข้าไปสู่กาลาคิรีบันพศโดยฉับพลัน ภรรยาหนึ่งพันาา 1, คนและทาสีเจ็ดร้อยคนประคองแขน ร, ร้องไห้คร่ำครวญว่ายักแปลงเพศเป็นพรามมาพาเอาวิธุระบัณฑิตไปพระสนมกำนันในพระราชกุมารพ่อค้าชาวนาและพรามทั้งหลายกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าชาวชนบทและชาวนิคม ต่างมาประชุมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่ายักษ์แปลงเพศเป็นพราหมณเพา่อเอาวิธุรบัณฑิตไปภรรยาหนึ่งพันคนและทาสีเจ็ดร้อยคนตามประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่าวิธุระบัณฑิตนั้นไปแล้วณที่ไหน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 ข้าพระองค์จะพากันเข้าไปสู่กองไฟข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความต้องการด้วยชีวิตกวิทุระบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมสามารถแสดงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แจ้งชัดมีปัญญาเครื่องพิจารณาคงจะเปลืองตนได้โดยพลันท่านทั้งหลายอย่ากลัวไปเลยวิทุระบัณฑิตปลดเปลืองตนแล้วก็จะรีบกลับมา อัน e รายละจบ